วันนน้จะเทศถึงเรื่องกำลังกำลังมีสองอย่างกำลังกายกำลังใจเที่เรียกว่บพลังพลังกำลังกายแล้วบำรุงให้เจริญงอกงามได้คือสุขภาพพนาไมายดีแต่้อมีกำลังเรียบแรง แขงขันเฉย น, นทำมาห้ากินเลียงชีพด้วยการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญงอกงามไปได้่นกำลังกายส่วนกำลังใจทั้งของมองเห็นได้ยากมันต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำลังที่เรียกว่าพละพละมีห้า ถ้าหนบำรุงใจพระล้านี้ไม่ใช่มันเป็นเครื่องบำรุงกําลังของใจให้มันเจริญหมอกงามไปได้ไม่ใช่พระล้านนั้นเป็นกําลังทีเดียวอันนั้นเป็นเครื่องทําให้ใจมีกําลังจะอธิบายทุกเรื่องกําลังของใจศรัทธาพระ คือความเชื่อหนึ่งใน ม, มีบำรุงโดยการให้อาหารมันก็ลังร่างกายเรา ม, มีการรับประทาน ม, นมีการบำรุงอย่างให้เจริญเติบโตแต่ว่ากำลังด้วยพละคือปทาพละความเชื่อเป็นกำลังใหญ่โต วิรยิยะวิริยะพระะความเพียรก็เป็นกำลังหนึ่งสติในัทธาพระวิรยิยะใวิริยะพระสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังของใจแต่ละอย่างห้าอย่างนี้ประกอบของเขาแล้ว ใจมีพลังแก่กล้าสามารถที่จะทำให้ลุล่วงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมอัวงได้เหมือนกันถ้าหากว่ามีข้อมูลบริบูรณ์แล้วหวางได้เชื่อได้ด้วยเป็นอัชแ น, นศประโยชน์ตามต้องการ ที่พูดกันโดยส่วมากว่าบารมีไม่ขอหรือพระไม่ขอบุญวาสนาน้อยอก็จะมีน้อยเพื่อจากพระนี้ก็คือพระนนี้ศรัทธาพระความเชื่อเชื่อแน่วแน่ ในคุณงามความดีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครคนอื่นรับแทนได้ตนทำตนต้องได้รับคนประโยชน์นั้นแน่นอนตั้งต้นนั้นแต่ทำทานมีพลังเต็มที่สามารถที่จะระสิ่งของสิ่ง ของตนที่มีอยู่ให้จากอาบริจากไปได้ไม่ว่าจริงอันนั้นจะเป็นของมากของน้อยยอมสระได้เมื่อเป็นชนะแล้วจงบำรุงรักษาให้จเจริญงอกงาม ยินดีพอใจกับการทำทานนั้นให้แก่กล้าให้ก่อนอย่าไปเห็นว่าของเล็กน้อยของต่าตื้นกำลังนัานมันเต็มที่นก่อนศรัทธานั้นเราจะไปใช้ท้่อื่นต่อไปคนประมาทดูถูกศรัทธา เลยไม่กล้าทำความดีต่อไปได้ที่หลังนั้นศรัทธาเกิดในจินสมาธิปัญญาก็เลยหมดไปความศรัทธาในการพิจารณาเวจรไม่มีแล้วทันนี้ก็หมดไปเหมือนกันศรัทธาในการรักษาศีลขอให้แน่วเน่ในเต็มที่ในการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดจังหวะศีลประแดงต่าง ก็ให้แน่วแน่อย่าไปหวังสินนัสองร้อยยี่เจ็ดอย่างตาทีิสูจเลยสินสอร้อยยี่สิเจ็ดตาเถือถ้าไม่เชื่อมันไม่สถทาไม่แน่วแน่เต็มที่มันก็มมีประโยชน์อะไรสมาธิก็เหมือนกัน อ้าหาควมีสมาธิสัญญาอุปจชฌาอะไรสักอย่ายนาีน้ไดหน่อยเริ่มมีดีพอใจก็เลยทาสมาธิไม่ได้ทีหลังเมืม่อสมาธิมีแล้วเล็กน้อยประชันพอใจมนดีกับสมาธิอันนั้นแหะตั้งใจมันขยันมันเพียรในสมาธิอันนัน้ให้มันเต็มที่ มันค่อยเลื่อนไหลตัวเองอปัญญาสิท่านถ้าหากว่าเราเกิดอุบายปัญญาอะไรต่างนิดนิดหน่อยต่างเลยรู้่าไรนิดหน่อยต่างเลยไม่ตั้งใจพิจารณานั่นไม่ก็กอบทานั้นให้แก่กล้าไม่เนี้ยเนี่ยเต็มที่ มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันกาที่ทำอะไรมันลหลวมก็เกี่ยดไม่มีศรัทธานั่นเองเนีเ่เนี่เต็มที่ก็เพรามันมีศรัทธานั่นเองจให้รู้เรื่องศรัทธาของเราใช่ไหมที่เราฟังตังมาเผื่อลุงลงล ง, ลงคือเราไม่แน่แน่เต็มที่นะคือศรัทธาไมที่ตรงนี้แหละมันขาดตรงนี้แหละ เหตุนั้นจงพาสรรพรุมศรัทธาอย่างอธิบายนี้ให้แจกลาให้เป็นขั้นเป็นตอนให้มันอันนี้ง้อหรือศรัทธาตัวนี้น้อก ง, งามใช่ก่อนเจริญเต็มที่ได้ก่อนตอนนี้ศรัทธามีแล้วค่นี่ควรเพียรนั่นเองมันมันมีเองนยค่ะนี่ ไม่ต้องบอกบอกความเพียรนะน่ะมันวิง่งทาไมตาสมสนุนช่วยเหลือเลยขยันมันเพียนประกอบในสิ่งจิตต่างๆเช่นทำบุญ้นฐานขยันมันเพียนแสวงหาสิ่งนี้ต้องมาทําบนญทำทานแสวงหามาได้ก็คิดถึงการทําทานแสวงมาได้เท่าไหร่ก็ดีของเล็กเล้อน้อยของมากของมไม่อะไรก็คิดถึงการทําทาน มีสัทธามันจะนับเสมเช่วยเหลือให้แม้แต่เรื่อคนเพียรหนึ่งเพียงไม่ยังย้งยามตลอดเวลาในเมื่อมีศีนก็พยายามรักษาสิลนั้นไม่ขาด ทีแรกก็รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวทานานมันก็รักษาเพียนที่งามเขาถ้ามันจำเนื้อจำนานมันคล่องแคล่วถ้ามันชินแล้วมันเคยถ้ามันคุ้นเคยกับศีล น, นันก็เป็นศีลสมบูรณ์บริบูรณ์สมบัติไม่ว่าชินหาชินแต่ชินจิตชิน 5, ช้ิเจ็ดหมือนกันเรารักษาศีลนได้มาคิดถึงเรื่องศีลข้งตน มาข้อไหนบกรอข้อไหนบริบูรณ์ไม่คิดตึงสิ่งเลยมีควองดีแล้วได้ควองดีแล้วก็เลยไม่เห็นความดีขอ ง, งดีนั่นไม่เห็นขอบความดีขอ ง, งดีนั่นยากโบราณเ่ะวเหมือนกระลิงได้แก้วเมือนกระไก่เห็นเพรเห็นคอยสู้แม่ข้ า, านั้นไม่เดียวก็ไม่ได้ พยายมให้มันเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นคุณค่าของปัญญากเหมือนกันในวัตคุณค่าของสมาชิเหมือนกันเราทำสที่ิได้นิดหน่อยมันก็เดียโคแล้วคิดถึงเรื่องเก่าที่เราไม่เคยทำสมาธิ ไม่เคยมีเรื่ยสมาธิอันนี้มันมีขึ้นมาอายุขนาดนี้แล้วได้สมาธิครั้งหนึ่งสองสองครั้งในวันดีต้อเห็นตัวสมาธิอันที่ไม่ได้เลยมากมายลงหลายอายุนน่วมไปลงไ ป, ง ไ, ปไม่เจ้าจิตเท่าไรแล้วกี่วันที่คืนนี่กี่เดือนแล้ว มันมีสมาธิก้นทางนี้ก็ดีแล้วเนะ่มันเห็นสมาธิเกิดคงเทียนพยายามพยายามทำนี่แลนะ้วเนี่ยวันทํา่ำได้แน่นอนภาระมันเป็นกำลังให้เกิดได้ทีเดียวปัญญาที่เยี่งเห็นสันขาดร่างกายของตน เห็นอะไรเอเขาจะจกสองดูก็ได้เรอกหน้าตาขเราเนี่ย่ะไม่ต้องสองคนอื่นนั้นเห็นของแก่ของเฒ่าความจะุดสุดโสมเหี่ยวแห้งอันนง้มนเป็นอันนี้จังทุกขงังอน้าตาเห็นทะเลก็เอาละไม่ต้องนิ่งไกลพยาญามไปเห็นอยน่งางนั้นอยู่เสมอเชียนไม่ยา่งหยาบเลอตลอดเวลา มันหาสัีวันหนึ่งเมื่อไอคนเพียนเพียนพอแล้วมันอาจจะมีวันหนึ่ ง, นนงถ้าหากว่ามันไม่มีก็เอาขณะนั้นก็เอาเพราะเหตุที่คนจะเห็นคงแก่ของเทรู้สึกสมเห็คนคงเสื่อมของจินไม่แก่ของง่ายๆบางทีต้นหนุ่มต้นสาวต้นเท่ามันแก่แล้วไม่เคยเห็นเลย อย่กจะตายแล้วแต่ยังมองมยจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นน่งไปกันอย่างนีเห็นท้องไปในบ้านเมืองของเราตอนที่เรามองเห็นต้องแข่ควาฉลาดจนรู้สตอมนั่นเั็นดีที่สุดแต่นั่นทางที่จะหุดพนได้ทางเดียวเท่านี้นั่นเรียกว่าวิริยาะนะ คือความเพียรค่านี้สติะอะลรค่ะนี้จดจ่อตั้งมั่นในเรื่องนั้นถ้ามันมีสติไม่ได้มีศรัทธามีิริยธรรมอาจสามารถจะหลวมเหลวไปได้เชื่อไปในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกก็มี เพียงพยายามในสิ่งที่ผิดตัวนี้เชื่ อ, มองมงายหลงม ง, งายไปในสิ่งที่ผิดเพียงพยายามที่ในสิ่งที่ผิดมากมายแค่เดียวถ้าหากสิ่งที่ พ, าาทพบถูกไม่ได้สิ่งนั้นควรหรือไม่ควรสิ่งนั้นผิดหรือถูกถูกต้องตามธรรมทั้งสองพระเจ้าหรือไม่ ฟัง ค, คําครวญแนะนําทางสอนตะเตือนเมื่อกงกันหรือไม่ที่นโน่านั้นต้องมีจิตควบคุมระวังอย่างนี้จึงจะเดินถูกทางโดยส่วนมากที่มีแต่ศรัทธามีศรัทธาก็ต้องมียากยิ่นเข้ามาสนับสนุนนะ มากสี่เดียวแหละที่เห็นคิดเห็ถูกเห็นเห็นที่นผิดๆแตมากทีเดียวต้องคิดแ ล, ล้วก็บคนอื่นไม่คนอื่นไม่สามารถที่จะตัดเตือนได้โดยด้วยผมถือร้านนงนั้นว่าจนถามถูกสีเดียวคนอื่นไม่ถูกนู่นนั่นตะตนถ้าทานแรงนี้่ยากจะมาก ใครมากเท่าเราเราคนเดียวเป็นคนมากสุดคนู้นข้มีสติเดินเสมอตัวเดินไปเรื่อยๆเดินเสมอภาพไปไม่เอียนเอียงทางโน้นทางนี้เดินเฉามาเสมอเรี่องธรมชิ ม, มาปฏิปทาไม่ถือลั่นธรรมดาผู้ที่ มีสติแล้วนะไม่ถือตนว่าดีทั้งนั้นตนดีทั้งหมดไม่ถือต้องมีคิดคนเรามันไม่ดีทั้งหมดหรอกเห็นนั่นต้องระวังความผิดแต่ น, นั้นคอยระมัดระวังคอยสังเกตสังการคอยฟังคนอื่นตักเตือนเนีน่ยาำทางสอน มีต้ันต้องเป็นอย่างนั้นคนัี่มีสติแล้วมีแต่ความเพียนมีแต่มีแต่ศรัทธามีแต่ความเพียนแล้วไปงไ่ไปโตใครทั้งหมดสู่ตนไม่ได้แต่ไมยังพูดหรือเสมอว่าคนไหนว่าตนดีคนนั้นคือตนไม่ดี คนใดว่าตนนี้เศษวิโสคนนั้นคนว่าตนวิเศษวิโสหรือว่าตนฉลาดเฉียบแหลมคนนั้นคือคนโง่มคนฉลาดไม่ถือตัวอันนี้เป็นสติสมาธิระฆานิเป็นปัญหาเป็นพลังใหญ่ที่สุด มันต้องรวมมาเป็นสมาธิใช่ก่อนอดีศรัทธาวิญญาณสติมันต้องมารวมเป็นสมาธิใชก่อนถ้าไม่รวมเป็นสมาธิมันก็ะระกกเกิดเพลิงก็ใหญ่โตพุทธศาสนาของเราสอนไใดๆก็สอนเถอะถ้าไม่เข้ามาถึงใจแล้วไม่ถึงพุทธศาสนา ไม่รวมงอเป็นใจแล้วไม่ถึงพุทธศาสนามันต้องรวมเข้ามาถึงใจสิ่งหลาสหลนสวงมันก็จะโลดเเหมือนกันทำไม่ได้ทำทําอะไรก็ทําม่ได้ต้องมีที่รวมเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกันทำมาฮากินทุกสิ่งทุกประการท่าขายทำงานแต่การเมืองอะไรต่าง จุดรวมก็คือมาเลี้ยงตัวจนดรวมก็คือหาเงินหาเงินก็คือรวมเข้ามาเอาเงินมาเช็ดหูงไว้เอาเงินมารวมแห่งเดียวนั่นได้ะจุดมันทํำได้าทำน า, าทำธุรกิทุกสิ่งทุกประการพฤติกรรมพิกา ร, กรทุกประการเขาต้องการมารวมันแห่งเดียวอย่างเข้าเนี้ยจะมารวมกันแห่งเดียว จึงเล็ดจึงเส็จมารวมที่ลานเข่ารวมไปนั่นแล้วแต่ยังม่แล้วเอาขึ้นยุ่งกับมารวมแห่มรดิรวมนั่นแต่ยังม่เนี้ยเอาไปี่ไปส้างทำเาหมันต้มแมารวมในต่าไะไรทองอันเดียวนั่นและหมดเรื่องมันต้องรวมตรงทีมันยังไปมันยังไปผูกพุทธศาสนาสอนคุ้มขวาไป ้าหาก็ไม่รวมลงเป็นสมาธิมันก็ไม่ถูกมันถึงแก่ศาสนาแต่ห ม, ม, มาย ส, สอนนี้เสมอคู่โดยเสมอว่าศาสนานี้สอนมีที่สุดที่รวมมีที่สุดที่รวมได้หมดสิ้นสงสัย ก็รวมลงไปแล้วหมดเรื่องไม่เหมือนิชาเที่ทอื่นอม่เหมือนนิชาเนื่นองเขาสอนเรื่อนี้ชิ้นที่สุดอย่างสอนพระพุทจะทรมผสมไหมมารวมมากันเดียวเขาพูุทธธรรมผสมเป็นอันหนึ่งทั้งหลายแต่เหมือนทีแพ น, นธรรมขันลมความไม่ประมาณ ก, กันเดียว มักคือทางดำเนินแต่ให้ถึงมรรคนิพพานมันรวมไวม่ใช่มากกับสมาธิอย่เดียวในมันรวมรวมไม่สุุ้ดอย่างนี้ศาสนาเรียกว่าสอนถึงที่สุดแต่บุคคลผู้ทำนั่นอีกนั่นอีกอย่างหนึ่งผู้ทำตานั้ไม่ถึงที่สุดจริงจําเป็นต้องทำบ่อย ตัวชี้แจงมันถึงที่สุดนั่นแหละมันเรียกว่าสมาธิคามนี้ปัญญาล่ะปัญญามกับย้อนสมาธิของเก่าเอือเหระครับตั้งแต่ธาตั้งแต่ศรัทธามิริยะสติสมาธิ ถ้ามีปัญญาไม่เกิดสมาธิถ้ามีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีวิรยิยะศรัทธาขั้นนั่นเป็นไม่ใช่ศรัทธาวิเศษวิสุทอะไรหรอปัญญาในขั้นทาสมาธินั่นก็ท่านทํานทำทานจะมีมีวิวายปัญญาที่จ ะ, สะแสวงหาน่ะม า, ามทําูลทำทานนั่นเรียกวปัญญา รวมเพียงขัน ญ, ญามในการที่ทำนั้นน่ะเรียกว่าปัญญาเหมือนกันดิจิลรวมในกับพระปัญญาที่จะเป็นมาที่กลวงพระปัญญาแต่ปัญญายังอ่อนปัญญาโบราณรวมมดเรียกว่าปัญญาเท่านั้นเถ้าปัญญาน้สูงเป็นปัญญาปัญนา แล้วอีกอย่างนั้นตอนหนึ่งบางานั้นปัญญาโมนีเนี่ยเรียกว่าปัญญาควรบำรุงที่เรียกว่าพระละพละอนั้นทั้งห้าประการนี้แหละบำรุงให้ใจมีกำลังเสข้มแสงกล้าหาญสามารถที่จะทำธรรมทีได้สามารถที่จะเกิดปัญญาอวบาบยิ่งใหญ่ได้เราสามารถ ทำ น, นู้ร่วมมารคผนิพพานได้น่นน่ะถึงนิพพานนู่นน่ะพระละไม่ถึงนิพพานมาบรุงร่างกายที่เรียกว่าสุขภาพวันณมัยดีมีพลังเที่ยงคองเที่ยงแค่ถึงตายเท่านั้นนะ่ะมดคเท่านั้นส่วนพระคือบำรุงทางทางใจนี่นี่เท่ัแกก็สามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพาน ตายนี่ตายมะตายก็ถึงได้ได้ถึงไห้พานได้นี่แหละธรรมเทศนาที่แสดงมาขอสงวนดุกาศเวลาดุจกาศที่เทศนาซึ่งเรื่องพระราห้าไังอย่าไปจำอ่อยไม่ให้ไปจำอ่อนนั้น เรามีหน้าที่ที่จะทําสมาธิภาวนาให้จิตแน่วแน่ลงด้วยประการใดเขาให้ทํำลงให้เต็มที่เถอะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วยังค่อยมันถ้นองเข้ามารวมเอกมันหรอกพรนาหะพระนาหะท่านว่าให้เฉยเนี่แะมันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิยังเกิดปัญญาให้เกิดเช็นสมาธิปัญญา ท้งวมดนั้นแหะไม่ใช่เราจะไปเอานั้นให้มันเกิดในที่นี้เราลืมเชือก่อนบรรยัติตมนาหนนที่เล่าให้ฟังที่อธิบายฟังให้ลืมเชอก่อนเนื้วจริงจะพอนานนลงทั้งท่าไม่ลืมเหล่านั้นแหละพอน้านไม่ลงเด็ดขาด เราทำอยู่ในที่เดียวเนี่ยสมาธิก็อยู่ไอ้ไอ้ศรัทธาก็อย่างที่นี่แหละคนเชื่อมั่เรายัางค่มาทำเชื่อมันในคุณงามความดีแล้วเนเองสมาธิไปภาวนาเราเรายัางค่อยมาทำเราทำอันนี้ก็เรียวกว่าเพี้ยนแล้วนี่ให้งามเต็มที่แล้วนี่ในเวลานี้นั่งนั่งภาวนานี่เรียกว่าเพียนแล้วนี่สติจะตั้งมัอย่างนี้คอยต้องดู จิองเราอยู่ปัญญาก็ค้นคว้าหาเหตุผลเรื่องราว ต, ต่างๆควรละควรทิ้งค้นถอนเรื่องประการต่งตางๆอันนี้เรียกปัญญาแล้วมันถูกทุกอย่างแล้วเห็นนั้นนั้นทิ้งเสียก่อนมันที่เรียกว่าพระหมณ์หากถ้าพูดในเจ้าออทันเทศสนาก็เหมือนกัน ท่านพูดตามอาการของมาันหรอกอ่นพูดมานะแต่เวลาทำอย่างจริงจังทิ้มงมัคราวนะั้นไม่เอามาไม่เอามาว่าเป็นสัญญาอารมณ์ท่านได้จดจ้ า, างแล้วิ้งแล้วนั้นนะเป็นอารมณ์เรียกว่าสัญญาสัญญายัางติดข้องกับเยไม่เป็นสมาธิสัญญาขอ้อแร ทังขาที่ความปุงมุดแจ้นั่นก็ละอารงที่ความพอใจยินดีต่างทิ้หมดเมื่อคิดหมดทั้หมดยังเหลือแต่ใจอันเดียวใจเดียวมีไปไหนได้างมันก็เป็นสมาี่แล้วดีให้มันเหลือแต่ใจอันเดียวเท่านั้นเป็นสมาธ่มันถูกหมดของนะเคยสมมนดอย่างไรเคยพิจารณาอะไร ให้พิจารณาอันนั่นเนี่ยอย่าไปทิ้งหลักตือนของเราจะอธิบายเลยอธิบายที่กว้างไว้เลยอธิบายก็จะนับสนุนนี่เยนี่แหละเราเคยฟันนายไงจิตรวมได้ไงเอาถ้ามันแนวแน่เต็มที่มันเต็นสมาธิภาวนาเต็มที่ของมันมันเป็นหมายว่าถูกต้องตามคำคำสอนกุฎจัง อธิบายเท่านั้นเราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุงความแต่งการให้เป็นธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้วอย่าคิดส่งไปภายนอกการคิดค้นในธรรมะคือค้นในตัวของเรา การส่งไปข้างนู้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวงเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมหรือไม่คือคิดคุคิดคุมเห็นคุ้มรู้สึกกัืนั้นอ่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เห็นในตรงนั้นถ้าไม่นยังส่งสายไปภายนอกอยู่ มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ตัดหาก็าจิตแน่วแน่ลงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกายในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่อันนั้นแหละเราเข้าถึงธรรมแล้ว ทำปลากฏดที่ตัวของเราแล้วทาไม่ใช่อืนไกลคือเห็นตัวตัวมันที่ปลากฏดขึ้นมาในใจของตอนนั่นเองที่คิดสงสัยภายนอกจนลืมตัว น, นั้นไม่ใช่ทาถ้าคิดนึกสงสยัย โดยการพิจารณาโดยมีสติรอบข้อบรอบลู่อยู่ในที่เดียวอนั้นก็นยังเป็นธรรมอยู่การที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมในต้องมันมั่นคงอยู่กับล่อง้อยของธรรมะคือพิจารณาขันให้เป็นขันท่า ลูกเสียงเวทลูกพิยนาสัญญาสังขงงารนิญานนิขันธาตุธาตุสีพิยนาอยู่นั่นแหละในเรืนะ่องธาตุสีน่ะนิ้น้ำไฟลมขันธาตอย่างว่ามาแล้วอาย จ, ะจะนันทรหกตาหูจหมูกรื่องกายใจอายจนันทรภายนอก